ขอความสุขความเจริญจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมพระโพธิญาณกาลังนำเสนอถึงเรื่องที่ทรงคิดค้นที่เกี่ยวกับเบญจขันธ์ก่อนการสรุปคือทรงมองรูปเวทนธนาสัญญาสังขารในสามด้านได้แก่คือด้านหนึ่งก็คืออัศทาะาความน่ายินดีความอาริตอรอยของเรื่อง น, นั้น การที่สองก็มองในอาธีนอบคือโทษที่มีอยู่ในตัวของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทางออกมิตรณะคือทางออกทางสลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นเพราะปัญหาใหญ่ที่จะต้องศึกษาก็คือเรื่องที่ทเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้หมายความว่ารูปก็คือสิ่งที่เราสัมผัสด้วย ประสาทั้งห้คือตาหูจมูลิ้นกายองค์ ป, ประกอบหลักก็คือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณแต่องค์ประกอบหลักที่ง่ายต่อการสังเกตก็คือดินน้ำลมไฟอากาศลักษณะใดาที่แข็งแข็งซึ่งปรากฏอยู่ในร่างกายนี้เช่นผมขนน้ำผ่านนังเนื้ออินกระดูกก็ถือว่าเป็นธาตุดินลนาาักษณะใดซึมซับเ อ, อื้ออาบซึมซับเลื่อนไหลไปมาได้ จะน้ําลายน้ําเหงื่อน้ำโมูกน้ําไข่ขอน้ํำมูดน้าํนนตาตาเปรี้ยวมานเหงือ่อเป็นต้นก็ถือว่าเป็นธาตุน้ําลักษณะใดที่พัดผันได้อลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพั ด, ล, พดลงเบื้องต่ําลมในท้องลมในทรายลมหายใจลมตามตัวอ่ะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นธาตุลมแล้วก็ไฟที่ทำกายอุ่นไฟที่ทํากายให้กระวนกระวาย ไฟที่เผาอาหารหน ย, ย่อยก็ถือว่าเป็นธาตุไฟป บ, บปูนบ้างทุตโสมบ้างกระบนกระวายบ้างเผาอาหารหนย่อยบ้างก็ถือว่าเป็นธาตุไฟนื้ก็เป็นส่วนที่ตั้งแห่งรูปเป็นการเกาะกลุ่มขององค์ประกอบทั้งหลายที่จริงรูปมันไม่มีในเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันไม่มีรูปหรอกแต่ว่าตรงนี้ก็พูดในฐานะที่เป็นรูป อันเป็นที่ตั้งแห่งความเกาหนดเพื่อเพลินชื่นชมยินดีส่วนนี้ก็คือส่วนที่เราเรียกร่างกายคําว่าร่างกายเองก็เถอะแปบลบว่าออกมาจากกุอายะแปบบ็นบัลแองเป็นที่ประชุมหรือแหล่งเป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแต่ตรงไห น, นมันก็จะเห็นชัดเจนนะถ้าเราถ้าเราลองคํานวณเวลาสมมติเราตั้งเวลาไว้เดือนหนึ่งดูซิว่า ที่เรายุ่งโดย ก, รก า, ารจําระศาส์สางร่างกายเนี่ยที่มีการลักษณะไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดระยะเวลาเราเสียเวลาเดือนหนึ่งเท่าไหร่จะเห็นว่าเวลาที่เสียไปเพราะการบริหารร่างกายเนี่ยธนุถนอมอาอกใจกับร่างกา ย, ยมากไปียงดนานหลายสิปีมาแล้วประมาณทักสามสิปีที่มีการศึกษาหาข้อมูล ก็ทำแบบงานวิจัยงานแบบสำรวจนะฮะคือไม่ใช่ร้อยเอร์เซ็นหรอกแต่ว่าถือว่าเกณฑ์ที่ฟังได้เขาบอกว่ามนุษย์ที่อายุไขประมาณเจ็ดสิบห้าปีถามว่าบริหารเวลาไปยังไงใช้นอนใช่ยี่สิบเจ็ดปีนะฮะใช้ใช้นอนยี่สบสามปีใช้ทำงานได้สิบเอ็ดปีใช้ แต่งตัวเสียเจ็ดปีใช้รับประทานอาหารที่เจ็ดปีใช้พักผ่อนหย่อนใจที่เจ็ดปีใช้คุยเรื่องไร้สาระที่เจ็ดปีเรืียนไี่จริงเรื่องตัวเท่านั้นเลยตัวนี้เรื่องตัวเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกแล้วเนี่ยเราเพิ่มคุณค่าให้แก่จิตวิน ญ, ญาณนิดน้อยถ้ย่เกิดแต่เราให้ความต้องการแก่ร่างกายซึ่งไม่เคยพูดกันรู้เรื่องเนี่ยเอามากเป็นพิเศษ คนก็ปลนปลืมมันเอาตามใจมันเต็มที่มันต้องการอะไรก็ตอบสนองความต้องการของมันแต่จริงมันแสดงความต้องการไม่ได้นะฮะมันเป็นปฏิกิริยาธรมธรรมชาติตอนั่นเองเพียงแต่เราไปโ อ, โอกใจไปตอบสนองเขาเวทนานั้นแปลว่าความสวยอารมณ์คือจิตที่ทําหน้าที่สวยอารมณ์ไม่ใช่ที่จริงไม่ใช่จิตของเขาเป็นเจตสิก เป็นจิตแต่สังขารคือสิ่งที่ปลนปลื้จิตแล้วก็เป็นตัวเจตสิกคือเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีลมเดียวกับจิตเป็นความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกําหนดตามความพอใจของเรานะโดยเนว่าตัวเวทนามันที่จริงมันก็สักตัวเวทนาแต่เองสมมุติว่าหนาวเนี่ยหนาวจริงหรือเปล่าคนบางคนก็รู้สึกเฉยเฉยนะฮะ บางคนรู้สึกว่าพอดีบางคนรู้สึกว่าหนาวมากบางคนรู้สึกว่าหนาวน้อยบางคนรู้สึกว่าพออบอุ่นนะบางคนยังรู้สึกว่าร้อนในซ้ำไปก็แสดงว่าความรู้สึกว่าเราหนาวเนี่ยมันเอาเรากับหนาวนี่มาบวกกันเราเป็นผู้หนาวแต่ไม่ได้หมายความมาเมื่อเราเราเป็นผู้หนาวแล้วทุกคนต้องเป็นผู้หนาวด้วยก็ไม่ใช่นั่นก็แสดงว่าเวทนาเกิดขึ้นจากการกาหนดอารมณ์ที่ท่านเรียกว่า ความสเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นไปจากสู่สัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้นนะฮ ะ, ะความเวทนาเมื่อกล่าวโดยทางเกิดมันก็มาจากหก mm hmm. ก็เรียกว่าจากักรูปสัมผัสสจาวเวทนาความสเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นไปจากสู่สัมผัสเป็นปัจจัยเรื่อยไปนะฮะจนถึงมโนสัมผัสสจาเวทนาความสเสวยอารมณ์ที่ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแต่เวทนานั้นท่านจะกระจายออกไปเยอะ กระจายออกไปเป็นเวทนาในอดีตอนาคตปัจจุบันไปเชื่อมโยงกันตันหาอะไรไรมากมายกับกองแล้วก็สรุปแล้วก็กลายเป็นเวทนาถึงร้อยแปดแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นจริงๆอย่างการเหนียวนึกตรึกนึ ก, นกถึงสิ่งที่เราพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นเรื่องอดีตส่วนหนึ่งเป็นเรื่องอนาคตส่วนหนึ่งเป็นเรื่องปัจจุบันแล้วการคิดเนี่ยการมองนะก็มองแนวกรรมตันตาหาบ้างแนวพระัตรนาบ้างแนววิวัตนาบ้างมาก็ เอาไม่เล่นเหมือนกันนะทั้งกด น, นับตามไปเรื่อยๆเดียด๋วยวนี้ขประการต่อไปคือสัญญาความจําได้หมายรู้เพรา ะ, ะสิ่งที่เราจําก็คือสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งห้าคือผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าก็คือสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณธรมรมารมณ์นั่นเองเรียกว่า รูปสัญญาจำรูปสัทธาสัญญาจำเสียงคันธัสัญญาจำกลิ่นรสสัญญาจำรสวลิตภัสัญญาจำเย็นร้อนอ่อนแข็งทีนี้เราจำเนี่ยมันผนวกกับความรู้สึกต่อสิ่งที่เราจำเพราะเราจะเห็นว่าที่เรารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ทังเรื่องอดีตอนาคตแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันผนวกกันระหว่างความจำกับเวทนาแล้วก็จิต ที่ทนะําหน้าที่รับอารมณ์นะฮะปีตทรรมนั่ทนะที่รับอารมณ์กับจาอารมณ์แล้วก็สะวยอารมณ์เนี่ยเขาทํางานสัมพันธ์กันประภาไม่เกิดเป็นสังขารเข้ามาปรุงปรุงด้วยความรักความชังปรุงด้วยกุศลปรุงปรุงด้วยกุศลปรุงด้วยกลางกลางพวกนี้ทั้งสามอย่างเนี่ยที่จริงเป็นอันเดียวกันแล้วก็ต่อเนื่องถึงกันนั่นนะฮะเพียงแต่ว่า เวทนาสัญญาสังขารนั้นเป็นเจตสิกแล้วก็วิญญาณนั้นเป็นจิตวิธีวิญญาณเรื่องวิญญาณขันนี่ยเป็นตัวจิตที่ทําหน้าที่รับอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสแต่พอรับปรับแล้วพวกนี้ก็ทํางานประสานกันไปจะเห็นได้ว่าชีวิตเราที่จริงก็คือขันห้าโลกทั้งปวงก็เป็นขันห้านอกจากนิพพานดังกล่าวแล้วันก็เป็นขันห้าทั้งนั้นนี่นิพพานต่นั่นเองเป็นขันถ้าวิมุตติคือพ้นจากความเป็นขันห้า ดังนั้นพวกนี้ในง่าในง่าจริงๆเราจะเห็นว่าพอมาถึงสังขารเนี่ยมันเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นกลางๆเพราสิ่งที่เราสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นในที่มันเป็นนั่นแหละแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงมันก็อยู่ที่สัญญากับเวทนาเราจําเรา จำและมีความรู้สึกตัวสิ่งเหล่านั้นไว้แต่ก่อนในะอย่างไรถ้าไม่มีแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นอวิชชาคือไม่รู้เห็นไหมเราฟังเสียงครั้งแรกดมกลิ่นครั้งแรกดิ้มรดครั้งแรกถูกต้องเย็นร้อนแข็งครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกเวทนาแต่ว่าเฉยๆเป็นอทุกขกรมสุขเวทนาเพราะเราไม่มีความจําความจําในทางบวกทางลบนี่ยไม่มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้น ใจเราก็รู้สึกวางเฉยไม่ยินดียินร้ายอะไรแต่ว่าพอมาถึงจากนั้นเนี่ยใจมันเกิดไปกำหนดค่าอารมณ์เรารู้จักเราสัมผัสอารมณ์เหล่านั้นเช่นสมมติว่าอาหารซึ่งเราไม่เคยเห็นเราก็ไม่เกิดอยากกินอะไรแต่ในที่สุดคนก็ให้ทดลองชิมดู ชิมดูมันเกิดการวินิจฉัยอะไอชิมดูมันก็กลายไปสิวหาวิญญาณคือความรู้ทางลิ้นแล้วในขณะเดียวกันเราก็ได้กลิ่นด้วยนะแล้วก็ได้รสด้วยได้กลิ่นด้วยได้รสด้วยก็เห็นรูปด้วยมันกลายเป็นเหยือ่อพวกนี้หลยกลายเป็นเดียรพเขาต้องการให้เกิดอัศธาคืเกิดความรู้สึกอรเด็ดอร่อยเกิด ค, ความชื่นชมยิน ด, ดีเนี่ยทําให้ บุคคลเนี่ยไปปรุงพวกเช่นยกยกตัวอย่างอาหารเนี่ยเราจะเห็นนะปรุงทั้งรูปทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งหน้าจับต้องเช่นเรื่องนี้ต้องกรอบเรื่องนี้ต้องนิ่มเรื่องนี้ต้องเหนียวอะไรแต่ไรเนี่ยนะแล้วเขาก็ทําให้มันเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นอัศทะคือความยินดีความรู้สึกอะเลดออยของของรูปทั้งหลายเหล่านั้น แล้วมันเกิดต่อนะฮะอยจะอยลืมมาเกิดเป็นเตลนาเป็นทัญญาเป็นบิญยาณแล้วก็มันเกิดเป็นความยินดียินร้ายซึ่งเป็นอาการสังขารพวกนี้ทั้งหมดก็ถูกผ น, นึกไว้ถูกจําไว้ภายในใจสังขารก็คือเป็นกุศลก็มีอกุศลกล็มีกลางๆกง็มีนะีทีนี้บิน ญ, ญาณเองก็คือความรู้ที่ผ่านมาทางภาษาสัมผัสนั่นเองเพราะฉะนั้นบิน ญ, ญาณเมื่อกล่าวโดยวิชีโดยทางเกิดมันก็มีหก ตามประสาทสัมผัสคือตามอายตนะภายในที่จากปุวิญญาณความรู้ทางตาเป็นต้นเนี่จนถึงมโนุบิญญาณความรู้ทางใจรานการศึกษาในตอนนั้นก็ทรงศึกษาในแง่ว่าอะไรมันเป็นรสอร่อยอะไรมันเป็นโทษของมันอะไรมันเป็นทางออกแต่หมายความว่าทําไมต้องหาทางออกล่ะมันก็ต้องชัดเจนว่าอร่อยเนี่ยมันมีแต่ว่าน้อยเพราะโทษมันมีมาก อย่างตัวอย่างเช่นทําบุญวันเกิดคนทําบุญวันเกิดได้ไหมอึดอัดเตรียมการก็ตั้งสามสี่วันเพื่อจะกินอาหารประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วต่อจากนั้นกลิ่นอาหารเนี่ยมันจะปุ่งไปอยู่เนี่ยสองสามวันกว่าจะล้างกว่าจะเช็ดกว่าจะชาระล้างอะไรโอยวุ่นวายกันจริงเนี่ยแค่กินแต่นั้นเองแค่กินเพียงหนึ่งชั่วโมงแต่นั้นเอง นั่นคือเป็นเรื่องที่เราจะเห็นว่ามันมีความยินดีน้อยแต่ว่ามีโทษมากตกลงคนกันมาจํานวนมหาศาลเพื่อจะได้กินแต่นั่นเองท่นนี้เขาจะเป็นอะไรนักหนาก็ไปหรอกเรว่าอยังเห็นสํานักพวกกรรมฐ า, านทั้งหลายว่าเราไม่เอาว่ามันวุ่นวายได้เกินนแต่ที่จะสงบไปวุ่นกับเรื่องกินเรื่องจัดทหารเรื่องแบ่งอาหารเรื่องอะไรตๆวุ่นเป็นหมดเลย อาหารควรจะกินไม่เกินสีนะ่สิบห้านาทีนะสี่สิบห้านาทีในชักจะมากไปแล้วนะสามสิบนาทีก็เยอะแล้วกินอะไรมันนักหนาร่างกายมันก็เท่านั้นเองไม่จะออกมาเป็นทองเนี่ยนะพอกินอาหารอร่อยแล้วร่างกายเป็นทองเป็นเงินไปมันก็น่ากินอยู่แล้แต่ร่างกายมันก็เปื่อยเน่าเพราะฉะนั้นตรงนั้นนะโทษมันต้องชัดต้องเห็นโทษได้อย่างชัดเจนเพราะอย่าลืมนะฮะว่ามันจะต้องเกิดความบื่อหน่าย ถ้าไม่เบื่อหน่ายและจิตมันไม่คลายนะครไม่คลายความกําหนัดยึดติดในความมาเด็ดอร่อยพรความมาเด็ดอร่อยเนี่ยมันจะไปแก้ต่างให้ไปแก้ต่างให้แก่ตัวเองบางทีก็ทุกข์ทรมานสาหัสเลยแต่รู้สึกว่า อ, ร, อร่อยแล้วก็ที่บายแก้ต่างให้แก่ตัวเองเสรจบางนั้นเมื่อทรงมองเห็น ทั้งสามอย่างแล้วก็มองหนักไปในทางโทษนะเห็นทโทษนะชัดเจนก็หาทางออกแต่นี้วิธีที่ ท, ทรงแสดงนี่ก็รับสั่งแสดงว่าพิสูจทั้งหลายความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสุขโสมนัสใดๆที่อาศัยรูปแล้วเกิดขึ้นสุขโสมนัสนั้นแหลเป็นรสอร่อยแห่งรูปอันนี้คือชัดเจนนะหเห็นว่ารูปสวยๆที่มีการปรุงแต่งมีการประดับประดากันสวยงามแต่เราก็กํากกหนดว่ามันเป็นสุข คือสบายใจเป็นโสมนัสคือสบายใจเป็นสุขคือสบายกายก็แสดงว่าปุนปือมีการตอบสนองแล้วก็เราก็เห็นแก่ตัวเรานะมันก็เห็นชัดเจนนั่นคือรสอร่อยของรคแต่ต้องมองไปเทียบเคียงตรงนี้เทียบเคียงค่อนข้างลึกนะฮะค่อนข้างลึกว่าก็อาการที่ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตุรมามีการแปรปวนเป็นํรรมาด้วยการใดการนั้นเป็นโทษของโรคหมายความมาอาการของไตรักษณนั่นเองที่ในการต่อมาทรงเรียกว่าใจรักษนะฮะแต่อย่าลืมมาตรงนี้ทรงอยู่ในช่วงของการค้นคว้าก็ทรงแสดงเฉพาะที่ทรงเห็นทรงเห็นเท่าไร่ก็แสดงอย่างนั้นแต่ว่าตอนสอนในช่วงหลังในสอนหลังจากศัสโรมันก็มีความสมบูรณ์ในแต่และเรื่อง ทีนี้ปัญหาว่าเราเห็นตัวไหนก่อนละ่ะเห็นในแนวองการไม่เที่ยงก่อนก็ได้เห็นของแนวเป็นทุกข์ก่อนก็ได้เห็นแนวเป็นหน้าตาก่อนก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะเพราะว่าแนวสมาธิเองแนววิโมกข์เองนะฮะมันก็มีได้ทั้งสามอย่างถ้าเริ่มที่อ น, นิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงเขาก็มองเป็นในแนวที่เรียกว่า อ น, นิมิตะสมาธิคือไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายหะไแล้วถ้ามองจากสายที่เป็นทุ ก, กตาเขาเรียกอภั ป, ปนิฮิตะถ้ามองจากสายนัตตาเขาเรียกว่าสุญญตาก็แล้วแต่คือทั้งหมดเดียเขาจะบรรจบเองเย็นอะไรก่อนก็ได้นะมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับเราจับงูตัวจับตรงไหนก็ได้นะเอางูที่ไม่มีพิษอะ เราจะตรงไหนก็ตามมันติดมาทั้ ง, งูทั้งต้นนั่นแหละหรือเราขย่ า, ยาต้นไม้เนี่ยฮะขย่าตรงไหนก็ได้มันก็เตือนทั้งต้นนั่นแหลธะธามาเองก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นตรงนี้เห็นชัดเจนนะว่าสุขสมมนัตที่เราได้จากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณลองดูว่าวันหนึ่งวันหนึ่ง ไ, ได้สักเท่าไหร่มันมีปริมาณน้อยนิดแต่เกินแต่ว่าอาการของความ ไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แล้วก็ประสบความทรมานเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่เลยก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเอาง่ายๆว่าหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุด จ, จะรับปวดปะสะวัสสาวะง่วงนอนแกจะตายนะสิเปร่องในที่ติดตัวเรามานี่ก็ก่อกวนเราเียแย่เลยวั น, ว, นวันเนี่ยเวลาเนี้ยจะเจอกันก็ถามเรื่องสุขภาพกันว่สุขภาพเป็นไงถนอมสุขภาพ สบายดีหรืออะไรแต่ก็จะถามกันแนงะ่ศาสนาอย่างนั้นพอยิ่งแก่แล้วจะยิ่งชัดเจนหัตถาปาดาลุขากรรมมามือเท้าบังคับไม่ได้มือเท้าอนัสวาคือบังคับมันไม่ได้จะเดินจะเหินบางทีบังคับไม่ได้นั้นก็แสดงว่าโทษมันเยอะเลยมันแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่แล้วก็ประสบความทุกข์ทรมานต่างๆ จากการเบียดเบียนบีบคั้นที่กลายเป็นทุกขเวทนาและหรือบางทีก็เป็นความทรงจําในทางที่ไม่ดีแล้วมันเหนียวนึกถึกนึกถึกนึกก็กลายเป็นทุกขเวทนาอีกอะถึกนึกแล้วก็ไม่สบายใจก็กรุบใจก็มองชัดเจนว่านั้นก็คือเป็นโทษเป็นโทษของรูปของเวทนาของสัญญาสังขารของวิญญาณทีนี้การนําออกเสียได้ซึ่งความกําหนัดด้วยนาาความพอใจ เขาเรียกว่าฉันทราคะนะความกำหนัดเ้ว่อำนาจความพอใจความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งที่เรากำหนดเอานะฮะเรากำหนดเอาวระมาณน้าพอใจเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่พอใจสากลเนี่ยมันไม่มีให้ลองสังเกตว่าเสียงไพโราะสากลเนี่ยไม่มี รูปสวยสากลเนี่ยไม่มีกลิ่นหอมสากลเนี่ยไม่มีรสอร่อยสากลก็ไม่มีสิ่งที่น่าจับต้องสากลเนี่ยก็ไม่มีเอาขนาดอะไรละ่ะคนเดียกเว่านางงามจักรวาลเนี่ยลองสังเกตดูข่าวคราวเนี่ยที่จริงมันสอนอะไรคือมีการขัดแย้งทุกปีมีคนเห็นด้วยมีคนไม่เห็นด้วยมีคนคัดค้านไม่ว่าจะตัดสินดีพิเศษยังไงก็ตามไม่มีคนเห็นด้วยเพราะอะไรเพราะกําหนดว่าสวยไม่เหมือนกันไอเกณฑ์ Again, ที่กําหนดเนี่ย เลยก็ไปตั้งเกณฑ์กันขึ้นตั้งเกณฑ์กันขึ้นไว้เต็มอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดปดเอาเอาก็เอาอย่างไงะใครเข้าเกณฑ์มากกว่าก็เอาอย่างนั้นแต่ว่าจะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ลักษณะสากลเกณฑ์ น, นั้นจึงไม่ใช่เกณฑ์สากลเป็นเกณฑ์ที่กรรมการกลุ่มหนึ่งเขาตั้งขึ้นแล้วอาจจะเป็นกรรมการคนเดียวนะฮะตั้งขึ้นแต่ว่าให้คนใช้เกณฑ์เหล่านั้นเป็นเครื่องกําหนดว่าสวยงาม แต่ที น, นี้คนซึ่งเขาไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาก็มีพื้นฐานใจของเขามีความรู้สึกนึกคิดในส่วนของเขาว่าอย่างงั้นสวยอย่างนี้ไม่สวยเนี่ยมันก็จบลงด้วยการที่เขาในด้วยก็ออกมาร่วมการคัดค้านทีนี้ปัญหาว่าการนําออกเสียซึ่งการกําหนดอำนาจความพอใจเนี่ยเครื่องใหญ่ที่สุดคือต้องมองเห็นตัวอาชีนบของมัน ถ้าเห็นโทษของรูปไม่ชัดเจนแล้วไม่มีทางเลยโทษ ต, ต้องชัดเจนมากๆเขาเรียรกว่าเป็นเป็นมองเป็นภัยเหมือนก็อยู่ใกล้เสือใกล้สิงโตใกล้อสรพิษไกลภูเขากำลังถล่มเนี่ยต้องวิ่งสุดตัวเลยต้องเกิดกลัวสุดๆแต่ถ้าไม่งั้นไม่ไปหอกมันสยบติดมันเพลิดเพลินนะฮะเราลองนึกดูว่าสัตว์บางชนิดที่เขาสัมพันธ์กันนีย มีการบาดเจ็บนะฮะมีการบาดเจ็บมีความรุนแรงเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าในที่สุดก็พอใจยินดีที่จะเป็นเช่นนั้นเพร า, าพวกนี้จึงกลายเป็นบ่วงมารเป็นมารบันธนาเป็นเครื่องผูกแห่งมารเป็นบวงของมารเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นเหมือนกระดุดพวกน้ําอะไรต่อไรต่ทรงอุปมาไว้เยอะแยะพวกนี้พวกขันท่าห้าเนี่ยการการจะนําออกการจะคัดจัด ความกำหนัดออกไปเนี่ยมันต้องมองเห็นชัดเจนแล้วก็เทียบเคียงเทียบเคียงจนเราอย่าลืมว่าแนวเทียบเคียงเนี่ยทรงใช้ตลอดเช่จนจิตสงบกับไม่สงบเนี่ยทําไมมันไม่สงบทําไมจึงจะได้สงบเพราะว่าโทษของความไม่สงบเนี่ยไม่ชัดเจนคุณของความสงบไม่ชัดเจนเพราะงั้นต้องเห็นโทษของความไม่สงบไปชัดเจน เห็นคุณของความสงบจัดเจตไอ้ น, นี่ก็เหมือนกันมันมีประเด็นอยู่สองประเด็นประเด็นหนึ่งก็ส่วนส่วนน่ายินดีประเด็นหนึ่งก็ส่วนที่เป็นโทษเพราะนต้องเอามองให้ส่วนเป็นโทษนี่ชัดเจนแล้วโทษไม่ใช่ว่าระยะสั้นๆเป็นโทษระยะยาวโทษในการมาคุณนี่ระยะยาวนะโทษในการกําหนัดเพลิดเพลินเช่นว่า ที่ท่านเล่าถึงค า, า, าถาเปรตทุสานโสนะถึงเด็กหนุ่มลูกเศรษฐีสี่ขนสี่สกุลเงินมันมีมากมายศาลมุ่งจะทำยังไงก็แสวงหาความสุขด้วยการกินดื่มเนี่ยจากอบายยมุกทั้งหลายเนี่ยอะไรละ่ะสุรานารีปาชีกิลาบัตรเนี่ยมันก็เพลิดเพลินสนุกสนานเพราะมีเงินทองเยอะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยตายไปด้วยใจที่ไม่ปกติก็บังเกิดในโลหะุมพีนรก เป็นพุธทธันดร น, นะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าตอนที่อาเดตอร่อยตอนอัศาธาเพลิดเพลินดีนะับปีแล้วไม่กี่ปีเราจะลองสังเกตนะคนจะเพลินอยู่ได้ไม่เกินสี่สิบปีแต่ว่าทุกในนรกเนี่ยมั น, ม, นมันมหาศาตรมากเทียบกันแล้วเทียบไม่ได้เลยเพราะาโทษมันต้องมองในแง่สังสารวัตรที่เห็นโทษเอาเฉพาะสังสารวัตร ไ, ได้ก่อนแล้วก็มองมองระดับถึง การทางออกที่พ้นไปจากสังสารวัตรด้วยโทษในสังสารวัตรแล้วคุณในสังสารวัตรคุณในการที่ที่ออกมาจากกิเลสกามเหล่านั้นมันมีความโปรง่งมีความเบามีความสละสะดวยมีความช่ำชื่นเบิกบานที่ปรากฏขึ้นภายในจิตเพราะนั้นตรงนี้อยู่ที่จิตซึ่งไปกําหนด กำหนดให้กำหนัดมันก็กำหนดัดกำหนดให้คลายความกำหนัดมันก็คลายความกำหนัดก็แล้วแต่ปริมาณของปัญญาจะเราจะมองจุดเดียวกันนั่นแหละสำคัญว่าเราใช้อะไรมองแต่เราใช้ปัญญามองจะเห็นอย่างหนึ่งใช้โลไอใช้อวิชามองก็จะเห็นอย่างหนึ่ ง, ง, ง, งแต่ว่าแนวของการประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจนั้นท่านเน้นย้ำในการใช้ปัญญาคิดพินิษฐพิจารณาแยกแยะ สิ่งเหล่านั้นไปตามลาดับจนเห็น <c oughs> ในด้านของความเป็นคุณเป็นโทษชัดเจนแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มพูนส่วนที่เป็นคุณเพราะส่วนที่เป็นโทษมันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันแต่ว่าส่วนที่เป็นคุณเนี่ยเราจะต้องสร้างขึ้นแน่นอนส่วนหนึ่งมันก็มีเป็นพื้นฐานอยู่นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องสร้างขึ้น เพราะงั้นก็เป็นเรื่องก็เรียกว่าอะไรล่ะปาหานะภาวนานั่นแหละเอาก็จริงก็คือละชั่วประพฤติดีนั่นเองต้องฟังทั้งหลายแต่รวมประพฤติยานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริน ง, งอกงามไปบูรในธรรมยงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี